มาเคยตัเยือนกันมาพอสมควรแล้วผู้ที่เคยระดับแล้วฟังก็ทราบดีในเมื่อการฟังต้องทากายทําใจอย่างไรูที่เคยระดับแล้วฟังมา ก, ก่อนก็ไม่ทราบว่าจะทำแบบไหนจึงจะได้ผลในการระดับแล้วฟังห้องตน ถึงอย่างไรก็ดีการฟังธรรมะมันก็คิดแตกต่างกับการฟังเรื่องของโลกเพราะเรื่องของธรรมะผู้แสดงก็มีเรื่องภาวินัยบังคับผู้ฟังหากไว่ถูกตามเรื่องของธรรมวินัยบัญญัติ แสดงผู้แสดงแสดงไปก็เป็นโทษดังนั้นทั้งผู้ฟังทั้งผู้แสดงจะต้องอยู่ในกรอบของธรรมดีไหนจินงจะพูดกันได้สะดวกสบาย <c oughs> เราทุกคนเกิดมาในพระพุทธศ า, าสนาชาวประเทศไทยส่วนใหญ่ ถือพระพุทธศาสนาแต่ปู่ย่าตายยายกันมาไม่ใช่ถือเพียงวันสองวันหรือมานมนานหลายพันปีมาแล้วแต่เรื่องของพุทธศาสนาโดยส่วนใหญ่ <c oughs> ที่ถือกันตามประเทณ น, นีีไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องของศาสนาอย่างจริงจัง มักอยากจะก้าวตูเรื่องของศาสนาะว่าเป็นเรื่องล้าสมัยหรือทำให้สังคมไม่จเจริญเข้าที่ควนมักอยากจะคิดจะปลุงไปํำนองนั้นนี่หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหลักของพุทธศาสนาะจริงจังเพียงแต่ฟังเข้ามาหรือคิตสุ่มเดาเอาในเรื่องของตัวเองความคิด โดยมากอยากจะคิดศาเข้าใจว่าศาสนาเป็นเรื่องทวงความเจริญของโลกนี่เป็นความคิดของบุคคลบางคนแต่ได้คิดทั่วไปถ้าคิดทั่วไปแล้วเรื่องที่ล่าสมัยเรื่องที่ทวงความเจริญของประเทศชาติของโลก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 และเป็นของลาสมัยยังดีวิเศษอยู่จึงมีผู้เรื่อมใสผู้นับถือบูชาประปฏิบัติหากทุกคนเห็นไปอย่างเดียวกันศาสนาพุทธก็จะต้องถูกเสียหายหรือหมดไปเป็นระยะนานแล้ว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 ไม่มีอะไรที่จะบังคับกันแต่ก็มีผู้เล่อมใสผู้เต็มใจนับถือเรื่องของพุทธศาสนาในประเทศไทยมีมากรูปของพระพุทธเจ้ามากมายยิ่งกว่ารูปของมนุษย์ทุกจำพวกไปเราจะเห็นได้ที่เขาทำกัน มาสักการะบูชาในวัดในวาในสถานที่ต่างๆมีมากของมีค่ามหาศาลกอเอามาทําเป็นพระพุทธรูปอย่างทองคาเป็นต้นกอเอามาทํานอกจากนั้นเป็นเงินเป็นหน้าเป็นทองแดงทองเหลืองหรือโลหะต่างๆตลอดถึง ดินทั้งปูนไม้หินมากเหลือเกินปวดถึงรูปของพร้พุทธเจ้าเพราะความเหลื่อมใสาศรัทธาของคนเหล่านั้นจึงสร้างขึ้นทำขึ้นเพื่อบูชาสักการะล่าวว่าแทนองค์ของท่านมีปวดถึงรูปมีมากและทรเมล มีมากอีกเหมือนกันไม่ใช่ย่อยยอดธรรมะในทางพระพุทธศาสนาถ้าคิดมูลข่าก็นับไม่ถ้วนที่คนสร้างคนพิมพ์ขึ้นจะเป็นใบลางหรือเป็นหนังสือเล่มก็นับไม่ถ้วนเหลือสี่ทําขึ้นพระเจ้าพระสงฆ์ที่ออกบวชในศาสนานับถือบูชาก็จะงนมาก ไม่ใช่เล่นเหมือนกันมีเรื่องของศาสนาเราเกิดมาในประเทศไทยจึงเห็นต่างแจกวันเกิดเห็นวัดเห็นบาเห็นศาสนาเห็นต่าเห็นเจา้าน่าว่าเป็นผู้โชคดีประเทศต่างๆที่มมีพระเจา้าพระสงฆ์มีจํานวนมากเขาถือลัทธิอื่นเรื่องอื่นของเขา หรือบางแห่งบางผหนบางประเทศบางตำบลเขาก็อาจจะไม่ถือเรื่องศาสนาเพามีคนในโลกมันมากมันจริงเป็นอย่างนี้เยวย้อนมาพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาที่เขาว่าลาสมัยหรือ่วงความเจริญของโลกพุทธศาสนานั้นสอนพวกเราท่าน ตั้งแต่ปัจจุบันและชาตหน้าอย่างยิ่งพูดถึงประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไม่ ใ, ใช่ ส, นสอนตั้งแต่จะให้หลับหูหลับตาภาวานาโดยถ่ายเดียวคนที่มุ่งหวังจะอยู่กับโลกเพื่อความเจริญในทางวัตถุมีอยู่มีกินพระพุทธเจ้ากวสอนประโยชน์ปนัจจุบันให้ ผู้ที่มุ่งหวังตั้งใจว่าลาโลกนี้ไป <c oughs> อยากมีความสุขความเจริญในชาติถางหน้าแต่ยังไม่อยากจะจากโลกไปเพราะผู้ใจจ้าอสอนให้ประโยชน์ชาติหน้าผ <c oughs> ู้ที่เบื่อหน่ายเขาผู้ใจจ้าอสอนว่าต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจะไม่มีวันกลับมาเกิดตายอีก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 แม้จะไม่เจริญทางด้านวัตถุในสมัยพุท ธ, ธากาลก็าตามแต่ก็ถามมาที่นิทิจลานาตามหลักของธรรมะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตัวคลองตัวจะเจริญด้านวัตถุได้ก็าตามก็อาศัยธรรมะของพธธ ร, ระพุทธเจ้าแต่เขาไม่ได้คิดว่าธรรมะของพธธ ร, ระพุทธเจ้าไปแฝกอยู่ใน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 ผิแดแปแตกต่างกับสมัยนั้นแต่ด้านจิตใจเขาไม่ค่อยจะคิดนึกฝุดตัวเองจึงมีการลหลงไหลว่าศาสนาถ่วงความเจริญความจริงประโยชน์ปัจจุบันที่ท่านเป่าสอนเอาไว้อุทนะคำปทาถึงพร้อมโดยความหมั่นตามขยันจะทำการงานหน้าที่อะไร้าหาัส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 การขวานขวายไม่มีความหมั่นขยันคนนั้นพอไม่มีทางก้าวหน้าไม่มีความเจริญไม่มีอยากมีกินพูดง่ายง่ายถ้ถามันขยันทำธุระหน้าที่ของตนทําให้สําเร็จทําให้จริงจังมีความื ส, สัตศ์กุจริตในหน้าที่การงานของตน เอาจริงเอาจังในการงานางนั้นนั้นไม่ปล่อยว า, ง, างตาั้งนาตั้งใจทาธุราณาชีพคนนั้นถึงจะทําการงานตามๆห ย, ยาบๆก่อตามคนนั้นจะมีอยู่มีกินไม่อดอยากทุกยากพอเป็นพอไปเพราะ อ, อํานาจความหมันควา ม, วามขยันของเขาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนี่คือ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 อย่าพึงดูถูกว่าศาสนาคือล้าสมัยทวงความเจริญของโลกอารักขาสำไปพาเมื่อมันขคยันแสวงหาสมบัติได้มาให้พร้อมด้วยการรักษาอย่าไปปล่อยป่าละเลยทิ่งขวางโดยไม่มีการรักษาถ้าหากไปรักษานี่จะหามา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 เอาไปหรือตนข่าเกี่ยวของทรัพย์ก็เป็นได้เพราะมันเห็นเลยเกิดเป็นเบียนเป็นภัยแก่ตัวสมบัติของตัวข่าตัวเองเพราะการไม่รักษาไม่ระวังสังวรของขี่หามาได้นี่เป็นขอดีสอนขีพระพุทธเจ้าสอนหรือหากข้อนี้คื้อลาสมัยอีกคนขี่ ไปที่ไหนมีอะไรสิ่งขวั่งเลื่อยไปไม่มีการรักษาไม่มีการเก็บหอมรอมลิบจะเป็นสมบัติพิสานเกือบผ่เขาขอเงินทองสิ่งิ่งเจ ก, กะละลานคนอย่างนั้นทันสมัยดีวิเศษโลกนิยมชมชอบเพราะเขาไม่เก็บหอมรอมริบไม่รักษาอะไรอย่างนั้นหรือที่เจรณาดูให้ดีอย่าไปเข้าตัว ว่าทำคาสั่งสอนของพูใ้ใจเจ้าเป็นของคอลื้ล่าสมัยจริงหรือความคิดความเห็นของคนที่ว่าทำคลื้ทำล่าสมัยเป็นเป็นผู้ผิดหรือทำผิดใ้ที่ใจนาใ้เห็นใ้ประจกักษ์ในจิตในใจของตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่ทราบได้ว่าทำยังเป็นของดีมีคุณค่าหรือทำเป็นเครื่องล่าสมัย ให้พิจารณาโดยใจเป็นธรรมอย่ามีอคติให้เอาคว า, อความจริงเป็นเครื่องวัดนี่ธรรมข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าสอนสำนาชีวิตตาสมาชีวิตตากั่งเก่ า, เ, าเป็นข้อที่สามสำหรับประโยชน์ปัจจุบันคือให้เลี้ยงชีวิตของตนพอสงควรแก่ฐานะ ตามทรัพย์ที่ตนหามาได้อย่าให้ฟืดเกล่อนเกินไปหรือปุ่มเผื่อยเกินไปให้สมควรในฐานะที่หามาได้ได้หาไปจ่ายสิบมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้น้วันที่จะอดจนล่าไปทางเข้าทางออกให้สมดุลกันเพื่อได้มากขอจ่ายไปตามฐานะขอสมควรให้มีเหลือขอสำคัญ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 หาสิ่งของที่เราต้องการมาได้นี่สมมาศีวิตาคือเรื่องชีวิตตามเพือนควรเจตฐานะหน้าที่ของตนถ้าหากไม่รู้เรื่องจะสมบัติของตนเรื่องหน้าที่ของตนได้มาน้อยแต่จ่ายไปมากประตูเข้านิดเดียวประตูออกมามันก็ไม่มี เนือหรอนี่ใจะจะเป็นนี่เป็นศิลป่วมทับตัวเข้าไปจะได้รับความเดือดร้อนาทางเข้าใหญ่แต่ทางออกไม่มีก็อีกแหละจะเป็นผีดูหมิ่นนินทาของคนอื่นรู้จักจแต่แสวงหามา่จะเลี้ยงชีวิตทุงตนให้เหมาะสมพอดีพอ ง, งามไม่เป็นเขาถือว่าคนตันีผีเหนียวต่างๆฉะนั้นการเลี้ยง ชีวิตของตัวก็เหมาะพอสมท่านเรียกว่าสมะจีวิ ต, ตาธรรมข้อนี้ก็คงไม่ผิดคงไม่ล้าสมัยคงจะเป็นอาจเป็นธรรมอยู่หากที่นี้พิจารณาประโยชน์ปัจจุบันเป็นขอ้ขอที่สามข้อที่สีต่อไปท่านว่ากัลยาณมิตรตาให้ครบ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 นิดที่ชั่วที่เสียเป็นนักเลงต่างๆถึงนําให้ตัวค้องตัวทําชั่วคิดชั่วพูดชั่วไปตามเขาเพราะการคบนิดเป็นสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนคนที่คบนิดชั่วเบื้องต้นมันก็ยังไม่รวมตัวไปแต่ น, นานๆเข้าอาจจะรวมตัวไป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 เป็นทางใหม่ดีแก่ตัวข้องตัวไป ค, คนที่เหล่ า, าก็้กพวกนี้ขี่เหล่า ค, คนขี่สินกันชาเขาก็ถือว่าอันนี้คนที่สินขินกันชาต่างๆเป็นทางที่จะนํำพาเสียชื่อเสียงและตัวเองถ้าหากไม่มีจิตใจมั่นคงแข็งแรงจริงจังก็อาจจะเสียไปตามนิด ข้อมิตรจะชักชวนให้ทำชั่วทำเสียทำมิตรชั่วสันจึงให้เรียกคบหาแต่กัญยาณนะมิตรคือมิตรที่ดีคนที่มีมิตร ด, ดีจะเป็นสิริมงคลสิ่งที่เราทำชั่วทำเสียต่างๆเขามีสติเหนือกว่ามีปัญญาเหนือข่าเราเขาจะสอนเราแนะเราไม่เห้ทำ ไม่พูดในสิ่งผิดชั่วผีดเสียต่างๆพอเราจะผิดเขารู้จับเขาก็จะนัดเนี่ยให้เรารวมตัวไปในทางผิดทางชั่วทางเสียมิรจึงเป็นเรื่องสำคัญข้อหนึ่งในปัจจุบันที่จะควรพบควรรักษาหาทางแน่สอนตัวนี่ประโยชน์ปัจจุบันหาก คนสนใจและทำตามคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทางเสียหายที่ไหนที่จะควรกล่าวตูดูหมิน่นโจมตีว่าพุทธศาสนาสอนคนให้ชั่วชา้าเสียหายทำสังคมให้ด่อยให้ต่ำไปมีไหมคิดว่า หากเราพิจารณาเป็นธรรมแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็สามารถที่จะทำพวกเราท่านให้ได้รับความสุขตามฐานาหน้าที่พอสมควรเรื่องประโยชน์ชาติหนา้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่หมดยิเวศตัญหาหมดมานะทิฐิหมดความอยากมีพระไบริสุ์ พูดสิ่งใดไม่อาศัยตนและไม่อาศัยคนที่รักที่ชอบพูดไปตามคําสัตว์คําจริงสัตว์อะไรออกมาสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแต่ทำคําสอนของท่านมักผิดจิเลสของคนคนที่มีมจิเลสมีตัณหามีความเห็นเก่ตัว นักจะตำหนินินทาคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าถ้าหากคนมีจิตใจสื่อสัตย์สุดจริตตรงต่อธรรมก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าไม่ว่าตั้งแต่สอนประโยชน์ปนัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าหรือประโยชน์อย่างยิ่งคําสอนที่เป็นหลักศึกษาในทางศาสนา ที่เรียกว่าสิกขาคือเป็นหน้าที่ผู้ที่นับถือศาสนาจะต้องศึกษาทิจารนาให้เข้าใจท่านกล่าวเอาไว้มีอยู่สามประการคือศีลเป็นข้อต้นสมาธิเป็นข้อกลางปัญญาเป็นข้อสุดนี่เป็นไลาสิกขาเป็นที่ศึกษา ของปู่นับถือพระพุทธาศาสนาเรามาเพลงที่นี้สิตเจณาดูเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนว่าหรืลาสมัยหรือไม่ศีลไม่ต้องพูดไปถึงศีลละเอียดศีลที่สุศีลสามเณรพูดถึงศีลพืนพ้นที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์ทุกคนควรรักษามนุษย์ทุกคนควรสังวนระวัง ตั้งหน้าทำตามเช่นศินห้าปาณาตีบาศห้ามห่ากันห้ามตีกันห้ามเหบียดเบียนกันจะเป็นสัตว์กว่อตามเป็นมนุษย์ก่อตามสิ่งที่มีชีวิตทันห้ามทำปานาตีบาศนี้เป็นขอ้อต้นที่ ในสินห้าี่พระพุทธเจ้าสอนถ้าหากคนเราประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรไม่ท่ากันเบียดเบียนกันไม่รบรลาด่าฟันกันประเทศชาติก็ดีครอบครัวก็ดีบ้านเมืองก็ดี โลกกว่าดีจะเป็นอย่างไรคนที่เมฆ่ากันเบียดเบียนกันจะไปมีตำรวจทาหารอาวุธยุทโธปันทำไมเพราะทุกคนไม่มีการเบียดเบียนกันฆ่ากันโลกอันนี้มันก็อยู่ดีเป็นสุขเพราะไม่เบียดเบียนกันข่ากันหรือการฆ่ากันตีกันเป็นทางขี่จเจริญเป็นทางที่นำความสุขมาให้ถ้าอย่างนั้นเขามาฆ่าเราตีเรา เราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบคนอื่นสัตว์อื่นที่เราไปฆ่าไปเบียดเบียนเขาก็าทำนองเดียวกันกันกบเราที่เขามาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าให้คิดให้ที่นี้ที่เจรณาอย่างนี้จึงจะมีความยินดีในการรักษาศีลถ้าหากคิดได้ปรับปรุงใจของตัวให้เป็นไปตาม แนวของศีลเขียบว่าผู้ธเจ้าเนี่ยสอนในเบียดเบียนกันไม่ข่ากันในขอตตนปานาที่บักมันก็สงบมันก็สบายโลกอันนี้มีความสุขคนที่เบียดเบียนข่าตีกันกับคนที่อยู่ด้วยกันมีเมตตาตานีต่อกันคนสองคนนี้ คนใดเป็นคนดีคนใดเป็นคนชั่วกันแน่แต่พี่เจรณาด้วยจิตด้วยใจเป็นธรรมดูถ้าหากว่าการฆ่ากันตีกันเป็นทางดีเป็นทางเจริญเป็นทางนําความสุขมาให้ก็ลองลองดูเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ที่ไม่ฆ่าไม่ตีกันเราอยู่เป็นสุขมีคนหนึ่งลุกขึ้นถือมีดถือไม้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 ถือตามลมปากเขาว่าดีก็ดีไปแต่สิ่งนั้นมีเหตุผลอย่างไรไม่ค่อยคิดอ่านว่อที่สองอธินาทานการลักการขโมยการต้นที่ของคนอื่นโดยเจ้าของเขาไม่อนุญาตไม่ให้กรนีเป็นอย่างไรล่าสมัยหรือคือสมัยหรือ <c oughs> ทันสมัย คนที่ประพฤติตัวตัวบาปไม่รักไม่ถโมยของใครเห็นของตกหล่นควรจะเก็บไว้ให้เจ้า ข, ข, ของเขาเก็บไว้ไม่ควรจะเจ็บจะเดินผ่านไปก็ผ่านไปไม่มีการรักไม่มีการขโมยไม่มีการจี่การส้น เห็นสมบัติของเราเป็นอย่างไรเราสงวนรักษาอย่างไรของเขาเหล่านั้นเขาก็มีจิตมีใจรักสงวนของเขาเหมือนกันไม่กล้าที่จะไปทำไปรักไปขโมยอย่างนั้นกับคนที่ไม่ทำการทำงานอะไรกัางวันนอนกลางคืนมาหาจินคือไปรักไปขโมยของเขา ไปจีไปป่นเขาแต่การงานด้านอื่นไม่เอาหาเจอทำทำที่ต้นชอบคือรักเขาขโมยเขามันง่ายมันสบายป่นจีเขามันง่ายแต่ไปทำการทำงานกว่าจะได้ลำบากความคิดจเจริญหรือจะเสื่อมถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าลาสมัย เป็นเครื่อง่วงความเจริญของสังคมจริงจังทุกคนทำกันแบบนั้นไม่มีการงานด้านอื่นแหละมีแต่จะลักจากะขโมยเขาลักขโมยไม่ได้จะต้องป่วนต้องจี้เอาถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรจะเจริญหรือจะเสื่อมให้คิดดูให้เข้าจิตเข้าใจในตัวเอง จึงจะรู้ว่าศีนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ดีลรืชั่วอย่างไรตัดสินใจโด ย, ยตัวเองอย่าไปเชื่อลมปากของคนอื่นที่เจรนาเหตุผลที่พระพุทธเจ้าสอนกับเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความรู้ความเห็นของคนที่มีกิเลสตัณหาคิด กับความเห็นความเป็นของพระพุท ธ, ธเจ้าที่มีพระทัยบริสุทธิ์ตัดออกมาใช้มันถูกกันแน่เราจึงควรจะหยิบเอาสิ่งที่ถูกที่ควรมาปฏิบัติต่อไปการในสมิชาฌานขอทีสามซึ่งเป็นธรรมที่ควรศึกษาเบื้องต้นที่พระพุท ธ, ธเจ้าสอนคนเรา ถึงจะมีฐานะหน้าที่มีเข้าของเงินทองสมบูรณมีไม่มีโรคไข้ไขเจ็บเบียดเบียนเรื่องของกายเรื่องของกาเมสมิจฉาจาร์การไม่มีขอบเขตในวงสามีภรรยาในครอบครัวทำความเดือดร้อนแทกเถ้าให้คนเราห่ากันยิงกันแทงกันตาย มีจานวนมากเพราะเหตุใดเพราะเรื่องการเมูมิทีฉาจารนขอน้อนี้เป็นหัวข้อสาคัญที่จะนําความสุขของครอบครัว น, นั้นนั้นให้เกิดขึ้นและนําความเดือดร้อนของครอบครัว น, นั้นนั้นให้แตกถลายเราพิจารณาดูง่ายเห็น คนที่รู้จักเข้าใจทั้งรักให้แต่งงานกันถูกต่องตามกฎหมายพอสาวป่าสามีใจมีอะไรภายนอกอตัตลักเกิดขึ้นภรรยานั้นถึงจะมีอยากมีกินมีใช้มีสอยไม่มีโรคใครเบียดเบีย น, ยนกายแต่ใจเดือดร้อนใจแผดเผาสามารถที่จะฆ่า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 แต่ถ้าหากมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอาหารจะดีขนาดไหนมันก็ทานไม่ได้ที่นอนที่นั่งจะนุ่มนิ่มขนาดไหนมันก็ไม่สุขกายสุขใจให้เพราะเหตุใดเพราะใจมันร้อนมันเผาพอไปราบข้าวเท่านั้นใจมันเป็นอื่นไปแล้วมันไม่ยินดีอะไรมีใจอยากจะข่าจะดีจะดา่าเจ้าว่ามันเป็นอย่างนั้นปู่ทุชนธรรมดา พอใจยังมีกิเลสตัณหาใจยังหึงยังหวงนี่มันเป็นเรื่องสาคัญอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นใครเห็นเมนเห็นจริงที่จะเป็นศัตรตูต่อครอบครัวอย่างนั้นท่านจึงสอนให้รักษากาเมสุมิตราจานไม่เหตประพฤติล่วงเกินส่งกันและกันหรือหาคนล่วงเกินอย่างนั้นประเทศไทยสมัยนี้นักศึกษาสมัยนี้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 ใครเขาสรรเสริญใครเขายินดีเทศในถวดถึงเรื่องธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตัวมุสาว่ะการกล่าวเทศหรอเราชอบไหมคล้องไหม่ดีบ่าค้องดีค้องไหม่มีบ่าค้องมีคองมีบ่าใหม่มีคนถีโกหกพ ก, กลมอย่างนั้นเราชอบไหม ถ้าเขามาหลอกลวงต่มสุนเราอย่างนั้นเราดีใจไหมหรือเราเสียใจเราไปทำกับเขาเขา้าเขาจะเป็นอย่างไรก็ทำนองเดียวกันให้คิดถึงอกเขาคิดถึงอกเราบ่าวมีสิทธิเสรีเสมอกันไม่ควรจะไปหลอกลวงต่มตุนกันสิ่งที่ไม่จริงว่าจริงจริงที่ไม่ดีว่าดีจริงที่ดีว่าชั่วว่าเจี้ยนั่นคือคมโกหก เป็นคําที่พระพุทธเจ้าตําหนิว่าเป็นของไม่ดีผูดที่เห็นมาไม่ดีอย่างนั้นจึงจะรักษาศีลเอทีสี่คือมุสาวาตได้ม่สามารถที่จะไปทําไม่สามารถที่จะไม่พูดอย่างนั้นคนถากพูดตามที่เห็นพูดตามจริงที่จริงใครเล่าเขาจะไปตําหนิ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 อันนี้ก็สําคัญอันหนึ่งสมัยปัจจุบันถือกันไม่กินเหล้าเข่าสังคมไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้สังคมที่เหล้ามันดีที่ไหนคนเมาเหล้าหนักเข่าจริงจังเป็นอย่างไรพูดหน้าเลื่อมใสน่ายินดีไหมทีนี้พิจารณาอะไรแจมแจ้งชัดเจนไหมจิริยามารยาทที่เขาเดินไปเป็นอย่างไรเขาพูดออกมาเป็นอย่างไรเพราะใจขาดสติ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 เนียคนที่เล่าหัวคนที่เล่าเราชอบไหมํำพูดอย่างนี้ถ้าเราไม่ชอบก็อย่าไปทำถ้าทำไปผลมันจะตามมานี่ศีลหาขอที่ว่ามาคือลาสมัยหรือไม่เบื้องต้นสิตขาี่ควรศึกษาคือศีลคอ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 ได้ษามีแบบนั้นภรรยาแบบนั้นเราชอบไหมเต็มใจไหมคนที่ไม่มีหลักใจอะไรเขาพูดอะไรก็คอยใจจะหลงจะลอยไปตามเรื่องต่างๆโดยไม่ได้มีตามตั้งมั่นในจิตในใจอะไรสักอย่างความหนักแน่ยไม่มีอารมณ์ขึ้นในจิตของตัวก็พัดติวไปให้ไปตามเรื่องของลงมนั้น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 ตามหลอบลวงตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง